วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สองกันยายนพุทธศักราช2567เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่ง ก็มีการกระทําที่ทําให้เกิดความเป็นมงคล น, นั่นเองค mm. ำว่ามงคลคืออะไรมงคลก็คือ mm. ความสุข mm. ความเจริญ mm. ของจิตใจไม่ได้หมายถึง mm. ความสุขความเจริญ mm. ของร่างกาย หรือของราบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมงคลนี้หมายถึงความสุขความเจริญของจิตใจจิตใจนี้มีหลายระดับด้วยกันตั้งแต่ระดับมนุษย์ขึ้นไปหรือต่ำกว่ามนุษย์ก็มีมนุษย์นี้อยู่อยู่ระหว่างกลางระหว่าง ที่ต่ที่สูงพบที่สูงกับพบที่ต่ำมนุษย์นี้สามารถพัฒนายกระดับจิตใจจากมนุษย์ให้สูงขึ้นสูงกว่ามนุษย์ก็คือพบของเทวดาสูงกว่าพบของเทวดาก็คือพบของพรหม สมกับพบของพรมก็คือพบของพระอริยบุคคลพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพลระอรหันต์ี่ระดับความเจริญของจิตใจจากมนุษย์นี้เราสามารถที่จะยกระดับแต่ถ้าเราไปอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามนุษย์ เช่นถ้าเราไปอยู่ในระดับของเปรตของอสุรกายของนรกหรือของเรัฉานเราจะไม่สามารถที่จะพัฒนายกระดับจิตใจในขณะที่อยู่ในสถานภาพเหล่านั้นเป็นสัตว์ในราฉานนี้จะไม่สามารถที่จะพัฒนา ยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นต้องรอให้หมดเวรหมดกรรมซะก่อนรอให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเมื่อได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถึงจะมีโอกาสที่จะมายกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นหรืออาจจะทำให้ต่ำลงก็ได้ พบของมนุษย์นี้เป็นพบที่มาสร้างบุญสร้างบาปกันสร้างบุญก็เป็นการมาพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสร้างบาปก็เป็นการมาลดระดับของจิตใจให้ต่าลงไปกว่าการเป็นมนุษย์ ให้กลับลงไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุ ร, รกายเป็นนรกภพของมนุษย์นี้เป็นภพที่มาสร้างบุญหรือสร้างบาปภ พ, พอื่นนี้เป็นภพที่ไปรับผลบุญผลบาปจะจะพัฒนา ก็ต้องมารอให้มาเป็นมนุษย์หรือถ้าจะมาดึงใจให้ลงต่ำก็ต้องมาเป็นมาทำตอนที่เป็นมนุษย์ถ้ามาทำบาปทำกรรมฆ่าสา์ตัดชีวิตก็จะดึงให้จิตใจลงต่ำแต่ถ้ามาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรม ก็จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับการที่เรามีวันพระนี้ก็เป็นวันที่เรามายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นเพราะพบที่สูงกว่าจะมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับเช่นพบของเทพนี้จะมีความสุขมากกว่าพบของมนุษย์ พบของเหนือกว่าพบของเทพก็คือพบของพรหมพบของพรหมก็จะมีความสุขมากกว่าพบของเทพและพบของพรหมเหนือกว่าพบของพรหมก็คือพบของพระอริยบุคคลก็จะมีความสุขมากกว่าพบของพรหมพบของพระสุวรรณบันก็จะมีความสุขมากกว่าพบของพรหม ภพของพระสกิดาคามีที่สูงกว่าภพของโสดาบันก็จะมีความสุขมากกว่าพระโสดาบันภพของพระนาคามีที่สูงกว่าพระสกิดาคามีก็จะมีความสุขมากกว่าภพของพระสกิดาคามีภพของพระอรหันต์ภพที่สูงที่สุด ก็จะมีความสุขที่มากที่สุดมีความสุขที่เต็มร้อยคือมีความสุขของพระนิพพานที่เรียกว่านิบบานังปรลมงสุขขงังเป็นจิตใจที่สูงสุดจิตใจที่มีความสุขมากที่สุดจิตใจที่สิ้นจากความทุมทกข์ทั้งปวงมีนิพพานนี่เท่านั้น คือจิตใจของพระอารหันต์น่ะจิตใจของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในจิตเลยแต่ถ้ายังเป็นจิตของพระที่ต่ํากว่าพระอารหันต์เช่นพระอนาคามียังมีความสุขไม่เต็มร้อยยังมีความทุกข์หลงเหลืออยู่เช่นเดียวกับระดับ ที่ต่ำลงมาก็มีความสุขที่น้อยลงไปแล้วก็ยังมีความทุกข์ความทุกข์หลงเหลือยังยังหลงเหลือยอยู่มา ก, กว่านี่คือเรื่องของความเป็นมงคลคาว่าคาว่ามงคลนี่ถ้านหมายถึงความสุขความเจริญของจิตใจ จิตใจเราสุขเจริญก็นี่แหละมีระดับต่างๆที่ได้แสดงไว้ตั้งแต่เทพขึ้นไปจากเทพไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลนี่คือความเจริญแล้วความเจริญของแต่ละขั้นก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปมีความทุกข์ลดน้อยลงไป จนถึงขั้นสูงสุดทั้นที่มีแต่ความสุขเต็มร้อยไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยก็เรียกว่าขั้นของพระาอารหันต์พระอารหันต์นี้ก็มีสองแบบด้วยกันพระอารหันต์ตระสำ ม, มาสมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้า แล่พระอารหันต์ตสาวกคือสาวกของพระพุทธเจ้าพระอารหังตที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าการที่จะเป็นพระอารหันต์ได้นี้เป็นได้สองวิธีด้วยกันเป็นได้ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิธีที่จะยกระดับให้ขึ้นสู่ระดับของพระอารหันต์ได้ ผู้ที่คน้าศึกษาและปฏิบัติให้จิตใจของทนนั้นได้เป็นพระอารหันต์นี้จะเป็นบุคคลที่เราเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าตัดสั้ด้วยตนเองโดยชอบเป็นคนที่คนพบการเป็นพระอารหันต์ด้วยตนเองเราก็เลย เรียกท่านว่าพระอารหันต์ธรรมาสามพุทธเจ้าเรืเ อ, อบางทีเราเรียกสั้นๆว่าพระพุทธเจ้าออแต่ความจริงนะพระพุทธเจ้าก็คือพระอารหันต์เองเพียงแต่ว่าเป็นพระอารหันต์ที่เกิดจากน้ําพักน้ําแรงของพระ อ, องค์เองพระองค์ออไม่มีใครรู้ที่จะสอนจะบอกท่านวิธีที่จะเป็นพระอารหันต์ได้ว่าจะต้องทําอย่างไร เมื่อไม่มีใครรู้ใครสอนได้ก็เลยต้องศึกษาเอาเองค้นคว้าหาทางที่จะนาไปสู่การเป็นพาาาระอรหันต์ด้วยตนเองในที่สุดก็ถ้าในที่สุดด้วยการมีความเพียรพยายามอย่างแก่ก็มีสัจจะอธิษฐานที่แน่วแน่ต่อการคนา้นคว้าต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติ ก็นำให้ท่านได้ไปพบกับพระนิพพานได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ขึ้นมามมบุคคลใดที่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตัวเองจึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตสัมมาสาัมพุทธเจ้าหรือเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีสองรูปแบบเหมือนกัน ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่สั่งสอนไม่เผยแผ่ธรรมะก็เรียกว่าเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าแต่ถ้าเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลก<ม>ก็จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า<ม>พระพุทธเจ้าองค์ที่เรารู้จักกันนี้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเป็นพระอาหารหันด้วยการศึกษาด้วยการค้นคว้าด้วยน้าพักน้าแรงของพระองค์เองจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันขึ้นมาแล้วหลังจากที่ได้เป็นพระอาหารหันพระองค์ก็นําเอาความรู้นี้มาเอยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันให้ได้เป็นพระอาหารหันกันพอพระองค์ ทรงแสดงธรรมสอนผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะบรรลุเป็นพระอารหรันต์พอได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติก็สามารถบรรลุเป็นพระอารหันต์ขึ้นมาได้พระ อ, าอารหันต์ชนิดนี้พระอารหันต์ที่เป็นพระอารหันต์ขึ้นมาด้วยการศึกษาจากพระพุทธเจ้านี้ เราไม่เรียกว่าพระอราหันตัสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเรียกว่าพระอราหันต์ตัสาสาวกสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกก็คือลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้านั่นเองนั่นคือพระอราหันต์พระอราหันต์จึงมีสองสองแบบเป็นพระอราหันต์ด้วยตนเองก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็มีสองแบบ เป็นพระปเจกัพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันตตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าสั่งสอนธรรมะก็เป็นพระอรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่สั่งสอนธรรมะก็เป็นพระปเจกัพุทธเจ้าอันนี้วิธีการยกระดับจิตใจให้ถึงขั้นสูงสุดนี้ขั้นสูงสุดก็คือขั้นของพระอรหันต์ แล้เมื่อได้ถึงขั้นของพระ อ, อรหันต์ได้ถึงขั้นของพระพุทธเจ้า<ม>ก็จะได้พระ น, นิพพานคือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด<ม>เพราะว่าจิตใจของพระ อ, อรหันต์นี้<ม>ได้ชำระตัวที่มาทําให้จิตใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้เกิดกับจิตใจนั่นเอง ก็คือกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชาที่จะถูกทำลายด้วยการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพ อ, พอกาจัดความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากกิเลสตัณหาได้แล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ กิเลสตัณหาตัวที่เคยดึงให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆก็ไม่มีในใจต่อไปเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาตัวที่ดึงให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดก็เส้นสุดลงไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมายกระดับจิตใจ เพื่อมาทำบุญเมื่อมาทำบาปอีกต่อไปอ น, นี่คือความเป็นมงคลในพระพุทธศาสนาคำว่ามงคลนี้หมายถึงความสุขความเจริญของจิตใจจิตใจนี้มีขั้นหลายขั้นด้วยกันสูงต่ำเราต้องการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เพราะจิตใจที่สูงขึ้นก็จะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงนั่นเอง<ม>แล้วการกระทำอะไรล่ะที่จะทาให้เกิดความเป็นมงคลแก่จิตใจขึ้นมามในมงคลระสูตร<ม>ที่เราเรียกว่ามงคลสามสิบแปดเนี่ยข้อแรกก็สองข้อแรกก็ทรงแสดงไว้ว่าวิธีที่จะทำให้เกิดความเจริญ ความสุขทางด้านจิตใจก็ต้องรู้จักครบคนคือไม่คบคนโง่ไม่ครบคนไม่ฉลาดให้เข้าหาคนฉลาดให้เข้าหาคนที่รู้ธรรมะนั่นเองรู้วิธีที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นและคนที่จะรู้จักวิธียกระดับจิตใจให้สูงขึ้นก็คือพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้า หรือพระ อ, อริยสงสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้าบงคนข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านแสดงไว้ว่า อ, อาศวนาจะพาลานั ง, อ, อ, งอย่าคบคนพาล อ, อย่าเข้าหาคนพาลค น, านพาลแปลว่าคนไม่ฉลาดคนไม่รู้ธรรมะรี่ว่าคนพาลให้เข้าหาบัณฑิตอาศวนาจะพาลานัง บันดิตานันจะเสวนาให้เข้าหาบันดิตให้เข้าหาคนฉลาดคนฉลาดก็คือคนรู้ธรรมะรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้บาบุญรู้นรกรู้สวรรค์รู้การเวียนว่ายตายเกิดและรู้การจิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่เอามาหลอกกัน ไม่ได้เป็นเรื่องนิยายลุงแต่งขึ้นมาแต่เป็นสัจธรรมความจริงล้วนๆเพียงแต่คนที่ไม่ฉลาดเท่านั้น่ะที่จะไม่สามารถรู้ได้หรือมองเห็นได้เพราะไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ค้นคว้าหาความจริงของสัจธรรมไม่ค้นคว้าหาความจริงเรื่องของบุญเรื่องของบาเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไปคบกับคนพาลคนไม่รู้เขาก็จะไม่สามารถสอนให้เรารู้เรื่องราวเหล่านี้ได้เมื่อเราไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราก็จะไม่สามารถที่จะยกกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นได้เราจรึงต้องเข้าหาบัณฑิตแทนบัณฑิตก็คือเข้าหาคนฉลาด คนที่รู้ธรรมคนที่รู้ธรรมก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่ตามวัดต่างๆวัดต่างๆในพระพุทธศาสนาเนี้เป็นที่อยู่ของพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ถ้าเราอยากจะเข้าหาบัณฑิตเราก็เลยไปวัดกันเพราะเมื่อเราไปวัดเราก็จะได้พบกับพระ สองแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องวิธียกระดับจิตใจพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นสร้างความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตการเข้าหาบัณฑิตนี้ก็จะทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องที่บัณฑิตเขารู้กันบัณฑิต ร, รู้อะไรบัณฑิตก็รู้เหตุรู้ผละ รู้อะไรว่าเป็นเหตุรู้อะไรว่าเป็นผลอะไรคือเหตุออเหตุก็คือการกระทำต่างๆนี่เองเรียกว่าเป็นเหตุะอะไรคือผลผลก็คือความสุขความเจริญของจิตใจหรือความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจที่เกิดจากการกระทำนี่เองอนี่แหละคือความรู้ของบัณฑิตรู้เรื่องกฎแห่งกรรมพูดง่าย เพราะว่าเหตุก็คือการกระทําการกระทาก็คือกรรมนี่กรรมแปลว่าการกระทํา mm hmm. การกระทำก็สามารถทําได้สา ม, สา ม, สามท่ช่องทางด้วยกันทําทางตาทําทางกายทําทางวาจาและทําทางใจ mm hmm. ทําทางกายเราก็เรียกว่ากายกรรม mm hmm. ทําทางวาจาเราก็เรียกว่าวาจีกรรม ทำทางใจกับเราเรียกว่มามโนกรรมกรรมทั้งสามนี้มีใครเป็นหัวหน้ามีใครเป็นเจ้านายเป็นผู้สั่งการผู้ที่สั่งการก็คือมโนกรรมนั่นเองใจก่อนที่จะทำอะไรได้ก่อนที่จะพูดอะไรได้ต้องใจต้องคิดต้องสั่งก่อนเช่นวันนี้ใจเป็นผู้สั่งให้มาวัดกัน พอใจสั่งให้มาวัดแล้วน่่นกายก็ออกเดินทางมาที่วัดกันปาจาก็พูดชักชวนเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายให้มาวัดกันอันนี้เรียกว่าเป็นการกระทำเป็นเหตุเมื่อทำเหตุเมื่อมีการกระทาเหตุเหตุการกระทำก็มีเหตุที่ดีการกระทำที่ดี มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจหรือการกระทำที่ไม่ดีมีโทษต่อจิตใจการกระทำที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจเราก็เรียกว่าบุญกุศลการกระทำที่ไม่ดีเป็นโทษกับจิตใจเราก็เรียกว่าบาปอากุสนี่แหละคือสิ่งที่บัณฑิตจะรู้ ก็คือรู้เรื่องกฎแห่งกรรมรู้ว่าจิตใจของเราจะสูงขึ้นหรือจะต่ำลงขึ้นอยู่ที่การกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจถ้าใจเราคิดไปในทางที่ต่ำมันก็จะสั่งให้น่างกายกระทาการกระทำที่ต่ำให้เราพูดในในสิ่งที่ต่ำ พอได้มีการกระทําทางกายทางวาจาแล้วผลวิบากก็เกิดขึ้นมาในใจใจเป็นจะเป็นผู้รับผลของวิบากของการกระทําของของใจผ่านทางร่างกายและผ่านทางวาจาเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีอันนี้เป็นการกระทําทางกายที่ไม่ดีที่เรียกว่าเป็นบาปเพราะเมื่อทำ กรรมแบบนี้แล้วผลที่ตามมาก็คือความทุกข์ใจนั่นเองความทุกข์ใจความเสื่อมของใจใจก็จะเสื่อมจากความเป็นมนุษย์ให้กลายไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นนรกบ้างสาเหตุที่มีความเป็นไปหลากหลายก็เพราะว่า เหตุผลของการทำบาปก็มีอยู่สี่เหตุผลด้วยกันถ้าทำบาลด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานนี้<ม>เขาต้องทำบาลด้วยการเอาตัวอยู่รอดอต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกับเขาถ้าเป็นมนุษย์แล้วมาทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพก็ถือว่าทาบาปเลย ความหลงทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปไม่รู้ว่ามีผลตามมาก็คือจิตใจจะลงต่ำจากมนุษย์จะกลายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปอันนี้ทำบาปด้วยความหลงก็จะทำให้เป็นเป็นสัตว์เดราาัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆ ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้ครือก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วาได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่นได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออย่างบางคนมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านถามว่าพอหรือยังไปถามได้เลยรับประกาศนีย์ไม่พอถ้าพอมันก็ต้องหยุดต้องเอาเวลามาใช้เงินบ้างสิ นี้ไม่ยอมใช้เงินเลยเอาแต่จะหาอย่างเดียวนี่หละที่เขาเรียกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออันนี้เป็นลักษณะของเปรดปากเท่ารูเข็มท้องเท่าตุ่มน้ำทิ่ ด, ดูดถ้าจะใช้รูเข็มดูดน้ำเข้าไปในตุ่มนี่มันเมื่อไหร่มันจะเต็มผันใดใจที่มีความหิวโหยมีความโลภ แล้วไปทําบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้นี้มันจะไม่ได้สร้างความอิ่มสร้างความพอให้กับจิตใจมันจะสร้างแต่ความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เวลาตายไปก็ไปเป็นเปลเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหย <c oughs> ที่จะต้องมาขอบุญขอมารับส่วนบุญของญาติพี่น้องที่มีชีวิตอยู่เพราะเวลามีชีวิตอยู่ไม่ได้คิดที่จะทําทบุญเลย คิดแต่จะเอาอย่างเดียวคิดแต่จะหาเงินหาทองเพียงอย่างเดียวแล้วเมื่อหามาได้ก็หวงเสียดายไม่อยากจะให้ใคร เ, เก็บไว้หมดตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวเงินทองที่หามาได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านนี่เอาติดเอาติดไปกับใจไม่ได้เลยถ้าอยากจะเอาเงินทองที่มีหมื่นล้านแสนล้านนั้นติดไปกับใจ ต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นบุญบุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่เราใช้ต่างประเทศเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศนี้เรามักจะต้องเจเราต้องลากลีนเงินส ก, กุลก่อน<ม>เรารู้ว่าเราไม่สามารถเอาเงินบาทไปใช้ในต่างประเทศได้ถ้าเราจะไปประเทศไหนเราก็ต้องเอาเงินบาทนี้ไปไปซื้อเงินของประเทศที่เราจะไปกัน เช่นจะไปประเทศญี่ปุ่นเราก็เอาเงินบาทไปซื้อเงินเงินเยนไปประเทศจีนแล้วก็เอาเงินบาทไปซื้อไปแลกเป็นเงินหยวนไปประเทศสหรัฐเราก็เอาเงินบาทไปเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์พอเรามีเงินของประเทศนั้นแล้วพอเราเข้าประเทศนั้นเราก็สามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบาย เอาเงินบาทไปนี่อาจจะใช้ได้แต่ต้องไปหาที่แรกเปลี่ยนก่อนซึ่งก็ไม่ใช่มีที่แบบเหมือนร้านเซเวมันต้องไปหาที่บางทีก่อนจะหาได้ก็ก็ไม่ทันการก็ได้เพราะต้องมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ต้องจ่ายนะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาล่างเวลาใจ แยกออกจากร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปใจก็จะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใจก็จะไปอยู่อีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าโลกทิพย์และเงินทองที่เราจะใช้ในโลกทิพย์เราเรียกว่าบุญถ้าเราไม่เอาเงินทองที่เรามีอยู่ในโลกนี้มาแปลงเป็นบุญมาเปลี่ยนเป็นบุญเราก็จะไม่มีบุญติดไปกับใจเรา เวลาที่เราต้องออกเดินทางจากโลกนี้ไปสู่โลกทิปต่อไปนี่แหละถึงคือทำไมเราจึงต้องมาทำบุญกันทำบุญเพื่อเราจะได้ไม่ไปเป็นเปรตไม่ไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณพวกที่เป็นเปรตนี้เป็นพวกที่ไม่ชอบไม่ชอบทำบุญพวกที่เสียดายเงินทองกับการทำบุญทาทาน ที่ว่าทำบุญทำทานแล้วศูนย์เปล่าไม่ได้อะไรช่วเอาเงินทองไปลงทุนดีกว่าไปลงทุนไปซื้อหุ้นหรือไปเปิดกิจการขยายกิจการแล้วเงินทองเงินทองที่ลงทุนไปก็จะงอกกลับมาเพิ่มมากขึ้นแต่มันเป็นเงินทองที่ใช้ได้แต่ในเฉพาะที่อยู่ในโลกนี้เท่านั้นเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เงินทองไม่ว่าจะมีกี่หมื่นล้านแสนล้านนี่เอาไปไม่ได้แนมะ้แต่บาทเดียวดวงวิญญาณก็จะไปแบบตัวเปล่าๆไปแบบขอทานไม่มีเงินไม่มีบุญติดตัวไปแต่พวกที่มีความเชื่อในบุญเชื่อในเรื่องของโลกเทพเชื่อในเรื่องของการในสวรรค์เชื่อในเรื่องของ ของการไปเป็นเปรตหรือไปเป็นเทวดานี่ก็จะหมั่นทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆมีเงนินมีทางเหลือกินเหลือใช้ <ST UT U> ก็อันไหนที่รู้ว่าตายไปแล้วเอาไปไม่ได้ก <ST UT U> ็เอาไปเปลี่ยนเป็นบุญเสียให้หมด <ST UT U> เอาไปทำบุญทำทานทำโดยวิธีไหนก็ได้วิธีเปลี่ยนเงินให้เป็นเป็นบุญนี่สามารถเปลี่ยนได้หลายวิธีด้วยกันจะทำบุญกับวัดก็ได้ ทำบุญกับโรงเรียนก็ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทำบุญกับพ่อแม่ก็ได้ทำบุญกับใครก็ได้ที่เราเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนที่เราจะช่วยให้เขาได้อยู่ดีกินดีมีสุขภาพมากขึ้นอันนี้เป็นวิธีเปลี่ยนเงิ น, งนให้มาเป็นบุญบุญนี้เป็นเงินที่เราจะใช้ต่อไปในโลกทิพย์เวลาที่เราไม่มีร่างกายนีรับนะ ถ้าเราเปลี่ยนเงนให้เป็นบุญได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้ไปเป็นเทวดาเทวดาก็คือพวกที่เป็นเศรษฐีบุญนั่นเองตนที่ทําบุญมากๆก็จะเป็นเศรษฐีบุญพอตายไปก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆซึ่งมีแบ่งไว้ถึงหกชั้นด้วยกันหระดับด้วยกันมีคือแบ่งไปตาม สัดส่วนของเงินที่เราเอาไปทําบุญมีหกชั้นถ้าเราแบ่งเงินหนึ่งในหส่วนของทรัพย์สิน ท, ที่ที่เรามีไปกับการทําบุญเราก็จะได้สวรรค์ชั้นที่หนึ่งถ้าเราเอาสัดส่วนของเงินสองสองในหกมาทําบุญของทรัพย์ที่เรามีอยู่มาทําบุญเราก็จะได้สวรรค์ชั้นที่สอง อสวรรค์แต่และชั้นจะมีความสุขมากน้อยต่างกันไปความสุขชั้นที่หนึ่งก็จะน้อยกว่าความสุขชั้นที่สองความสุขชั้นที่สองก็จะน้อยกว่าชั้นที่สามความสุขเหล่านี้เกิดจากการเสียสละทรัพย์สินของเราในสัดส่วนท่านหนึ่งในหกของทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ความสุขขั้นที่หนึ่งถ้าเราทําบุญ ด้วยการเรสียทรัพย์สินสองในหส่วนของของสมบัติที่เรามีอยู่เราก็จะได้เพิ่มความสุขเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งเราทำหนึ่งในหชั้นที่สองเราทำสองในหกเราก็เพิ่มความสุขขึ้นไปเรื่อยๆจากหนึ่งเท่าเป็นสองเท่าเป็นสามเท่าจานถึงขั้นสูงสุดก็ทกําบุญหกเท่าหทําบุญทั้งหมดเลยสัดส่วนของเงิน เงินที่เราไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เงินที่เราไม่ต้องใช้เงินที่เรารู้ว่าเราเวลาเราตายเราเอาไปไม่ได้อันนี้เอาไปทําบุญใชแล้วเราก็จะได้บุญอย่างมหาศาลบุญเต็มที่เราก็จะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดถ้าเป็นโรงแรมก็เป็นโรงแรมระดับห้าดาวห้าดาวบวกหนึ่งหกดาว สวรรค์ก็เป็นเหมือนโรงแรมที่เขาจัดเป็นดาวกันโรงแรมก็มีอยู่ห้าชั้นด้วยกันมีหนึ่งดาวมีสองดาวมีสามดาวมีสี่ดาวมีห้าดาวสวรรค์ก็มีหกดาวด้วยกันหกชั้นด้วยกันก็นอยู่กับการทําบุญมากน้อยของเราเนี่ก็เหมือนกับโรงแรมถ้าเราอยู่โรงแรมชั้นที่หนึ่งก็จ่ายน้อยหน่อย ถ้าอยู่ดาวโรงแรมชั้นที่สองที่มีสองดาวก็ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นเพราะความอำนวยความสะดวกความอำนวยความสุขมีมากขึ้นไปนั่นเองพออยู่โรงแรมระดับชั้นห้าดาวก็ต้องจ่ายมากที่สุดอันนี้ก็คือเรื่องของบุญที่นักนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายรู้กันว่าเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อ ดวงวิญญาณของสัตว์โลกเราต้องอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอดทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้ในโลกนี้เราก็มีไว้ใช้ได้เพียงในขณะที่ร่างกายนี้มันยังไม่ตายเท่านั้นเองพอร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะไม่สามารถที่จะเอาทรัพย์สินต่างๆไปได้เลยถ้าเราไม่แปลงทรัพย์สินเหล่านี้ไปเป็นบุญ เราก็จะไม่มีทรัพย์สินติดตัวไปเราก็จะไปแบบขอทานนี่คือเรื่องที่บัณฑิตจะรู้จะสอนเราว่าบุญมีจริงสวรรค์มีจริงแมะบาปก็มีจริงอบายก็มีจริงนรกก็มีจริงทำบาปแล้วก็ต้องไปรับผลบาปในอาบายทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นสัตว์เบลฉา ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นนสุลกายทำบาปด้วยความมาคาดพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปนรก น, นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีการกระทําบุญหรือการกระทําบาปซึ่งเป็นสิ่งที่เรามนุษย์มักจะหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ พอมาเกิดอยู่ในโลกนี้แล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะมีเหตุการณ์มายุอายุมาหลอกล่อให้เราไปทําบาปเราเวลาเงินทองเราไม่พอใช้มันก็จะมายุอายุให้เราไปช่อกงไปรักทรัพย์ของคนอื่นมาถ้าเราไม่มีคําสอนของบัณฑิตมาคอยเตือนใจว่าอย่าไปทําบาปนะทาบาปแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียได้เงินมาให้อยู่สุขสบาย ชื่อขนาที่มีร่างกายนี้เท่านั้นแต่เวลาตายไปแล้วต้องไปใช้ผ ล, ผลของบาป ท, ที่ทำไว้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างนี่มันได้แล้วมันไม่คุ้นเสียนี่แหละคือเรื่องทำไมเราต้องคบหาบัณฑิตเพราะถ้าเราเข้าหาบัณฑิตเช่นเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะคอยสอนเราอยู่เรื่อยว่าให้ละการกระทำบาปทั้งปวง อย่าทำบาปโดยเด็ดขาดทำบาปแล้วได้ไม่คุ้มเสียอาจจะได้เงินได้ทองมาอาจจะได้เป็นเศรษฐีอาจจะได้เป็นนายกแต่ตายไปแล้วต้องไปเป็นเปรตนะหรือต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่เหตุของการทำบาปว่าทำด้วยเพราะอะไรทำด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรัจฉานทำด้วยความโลภก็ไปเป็นเปรตทำด้วยความ กลก็ไปเป็นอสูรกายทําด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาบัณฑิตกันเข้าหาพระพุทธพระธรรมพรสง์การมาวันนี้ก็เพื่อมาหาบัณฑิตนี่เช่นการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นคําสอนของของบัณฑิตทั้งนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการจดจําได้รับการ บันทึกเก็บเอาไว้ได้รับการถ่ายทอดได้รับการศึกษาถ่ายทอดด้วยการศึกษาถ่ายทอดด้วยการปฏิบัติพอผู้ที่ศึกษาผู้ปฏิบัติเข้าอกเข้าใจในคำมา้าคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นอาออกมาสั่งสอนผู้อื่นต่อไปเมื่อผู้ได้ยินได้ฟังก็จะได้นาพาชีวิตให้ไปสู่ควสุขความเจริญ ไม่ให้ไปสู่ความเสื่อมความทุกข์นั่นเองด้วยการทําบุญด้วยการไม่ทําบาส น, นี้ก็คือความเป็นมงคลในวันพระเป็นมงคลก็เพราะว่าเรามาวัดกันเมื่อเรามาวัดเราก็จะได้เข้าหาบัณฑิตบัณฑิตานจะเสวนาได้คบค้าสมาคมกับบัณฑิต เมื่เราได้คบบัณฑิตบัณฑิตก็จะให้ความรู้ของบัณฑิตแก่เราบัณฑิตก็รู้อะไรก็รู้เรื่องของกฎแห่งกรร ม, มรู้เรื่องของกฎของตายรักษณ<ม>รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด<ม>รู้เรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าโลกที่เราอยู่กันในขณะ น, นี้เปนเป็นโลกชั่วคราวมันไม่จีรังถาวร เราจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอดเพราะร่างกายของเรานี้มันเป็นของที่จะต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดแล้วเราก็ต้องไปอยู่ในโลกทิพย์ต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะได้เตรียมตัวว่าเราต้องออกเดินทางเหมือนถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องย้ายประเทศอยู่ประเทศนี้แล้วเดี๋ยวพอหมดวีซ่าหมดเราก็ต้องย้ายกลับประเทศเนี่ย เราก็ต้องเตรียมเงินทองของประเทศที่เราจะย้ายกลับไปถ้าเราเอาแต่เงินทองของประเทศนี้ไปมันก็เอาไปใช้ไม่ได้ต้องเอาไปแลกเปลี่ยนก่อน<ม>ในโลกนี้เรายังสามารถเวลาย้ายประเทศยังสามารถข น, นเงินในประเทศนี้ไปไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอื่นได้แต่ในโลกทิพย์นี้เราไม่สามารถขนเอาเงินของของมนุษย์นี้ไปใช้ในโลกทิพย์ได้ถ้าเราไม่แลกเปลี่ยนเป็นบุญเสียก่อน มันบิดก็จะสอนเราให้เตรียมตัวเตรียมใจสอนให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี้เป็นของชั่วคราวเป็นอ mm hmm. นิจจังไม่เที่ยวร่างกายนี้เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บตายไปในที่ส mm ุด hmm. หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตก็จะต้องไปอยู่ในโลกทิพย์ต่อไปจะไปอยู่ในซีกไหนของโลกทิพย์ก็อยู่ที่บุญที่บาปที่ทำเอาไว้ ถ้าทำบุญก็ไปอยู่ในสีของสุคติไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทำบาปก็จะไปอยู่ในทุกคติไปอยู่ในอบายนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราเข้าหาบัณฑิตแต่ถ้าเราไม่เข้าหาบัณฑิตเราไปคบคนง็คนที่ไม่เชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริง คนที่ไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงคนที่ไม่เชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเขาก็จะไม่กลัวบาปกันเขาจะชอบทำบาปเพราะทำบาปมันได้ได้ผลประโยชน์เลวกาการไม่ทำบาปเช่นทำงานกินเงินเดือนก็เดือนหนงได้ไม่กี่ตังค์ถ้ามีการคอร์รัปชันแค่หน่อยมีการเก็บเบี้ยใบร า, ายทางเนี่ มันก็จะได้รายได้เป็นกอบเป็นกรรมใช่ไหมหรือไปรักไปขโมยเงินของผู้อื่นมาใช้ ก, ก, ก, การทําบาปมันจะเป็นสิ่งที่จะยั่วยุจิตใ จ, จของใจที่มีความโลภที่อยากจะได้เงินทองมากๆให้ไปทําบาปถ้าเราพบกับคนคนที่ไม่ฉลาดคนที่ไม่เชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่เชื่อว่าตายไปแล้วจะต้องไปใช้กรรมในอาบายนี้เขาก็ไม่กลัวบาปเลย เขาคิดว่าตายแล้วก็จบพอร่างกายนี้ตายไปแล้วผลของบุญหรือผลของบาปที่ทำไว้ก็ไม่มีเพราะใครจะไปไปรับผลบุญผลบาปตัวเขาเองเขาก็คิดว่าเขาเป็นแค่ร่างกายเป็นร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใจผู้สั่งให้ร่างกายทำบุญหรือทำบาป แล้วเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปในโลกทิพย์เพราะใจเป็นของที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเราไม่สามารถมองเห็นใจของเราได้เรามองเห็นได้เพียงแต่ร่างกายของเราเท่านั้นเมื่อเราเห็นเพียงแต่ร่างกายเราก็รู้ว่าอนาคตของร่างกายจะต้องเป็นอย่างไรร่างกายถึงเวลามันก็ต้องตายไปเมื่อตายไปเขาก็เอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าขี้ถานไป หรือถ้าไม่เผาก็เอาไปฝังดินก็กลายเป็นเศษ ก, กระดูกโครงกระดูกเหมือนแต่โครงกระดูกอยู่ในดินไปเราก็เลยไม่เห็นว่าใครละไปสวรรค์ใครละไปนรกไปอบาบัยเขาก็จะไม่เชื่อเขาพวกนี้เขาก็จะไม่เชื่อว่านรกมีจริงอบัยมีจริงสวรรค์มีจริงเพราะคิดว่าเมื่อคนที่ทำบาปคือร่างกายและคนที่จะรับผลบาปก็ต้องเป็นร่างกาย แต่เมื่อน่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบาปในสวรรค์ในนรกได้ยังไงแล้วสวรรค์นรกอยู่ที่ตรงไหนเขาก็มองไม่เห็น น, นนี้คือคุณสมบัติของของคนโง่ของคนไม่ฉลาดคือมองไม่เห็นกายทิพย์ไม่เห็นใจที่เป็นกายทิพย์ไม่เห็นโลกทิพย์ไม่รู้ว่าใจนี้อยู่ในโลกทิพย์และในโลกทิพย์นี้มีทั้งซีกที่เป็นสุขและซีกที่เป็นทุกข์ สีกที่เป็นสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์ท่นต่างๆซิกที่เป็นทุกข์เราก็เรียกว่านรกเรียกว่าอบายอันนี้คนที่ไม่ฉลาดจะมองไม่เห็นจะไม่รู้เมื่อเขามองไม่เห็นเขามองไ ม, ไม่รู้ว่ามีสวรรค์มีนรกเขาก็เลยไม่คิดที่จะทำบุญและเขาก็ไม่กลัวบาปเพราะการจะทำบาปทำให้เขาได้สิ่งที่เขาอยากได้ได้ง่ายกว่าสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไร คนที่ไม่ฉลาดก็อยากได้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเส<ม>ียงกลิ่นรสผลถ้าพระนั่นเองและวิธีที่จะทําให้เขาได้สิ่งเหล่านี้มาได้ง่ายอย่างง่ายดายก็คือวิธีทำบาปน<ม>ี่ช่อโกองบังรักทรัพย์บ้างหลอกลวงบ้าง<ม>อันนี้ก็จะทําให้ได้ทรัพย์สินสมบัตินาได้อย่างง่ายดายหรือถ้าอยากจะเสพกามก็ประพฤติผิดประเพณี ชอบสามีใครชอบภรรยาใครก็ไปแย่งจากสามีภรรยาของคนอื่นเข้ามา <Okay. S 1> เรียกว่าประพฤติผิดประเพณีเพราะมันง่ายกว่าที่จะไปหาของของตนเองแล้ว mm hmm. ของคนอื่นดีกว่า mm hmm. นี้ก็เป็นคุณสมบัติของคนโง่คนไม่ฉลาดคนโง่คนไม่ฉลาดนี้จะไม่กลัวบาปจะไม่เชื่อว่ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์จะเชื่อว่าตายแล้วศูน ถ้าจะรับผลบุญผลบาปก็รับผลบุญผลบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็คิดว่าถ้าทำบุญแล้วจะต้องร่ำรวยเป็นต้นแต่ทำบุญบางคนทำบุญแล้วกลับเจอยากจนกลับไม่ร่ารวยก็เลยทำให้ไม่เชื่อเรื่องการทำบุญทำไปทำไ ม, ท ำ, ไมทำแล้วยากจนทำบาปแล้วร่ำรวยยังไงจะดีกว่ากันทำบาปแล้วรวยเพราะได้เงินมาเยอะ ได้เงินมาง่ายไปป้นไปที้ไปชอบโกงไปหลอกลวงไปขอรับชั่นด้วยวิธีการต่างๆก็จะได้เงินมาเยอะก็เลยทำให้ชอบทําบาปกันไม่ชอบทําบุญแล้วก็เขาเขคิดว่าเวลาเขาตายไปเขาก็จบเขาไม่ต้องไปใช้ใช้ผลบาปไม่ต้องไปรับผลบุญเพราะว่าใครจะไปรับผลบาปรับผลบุญ เพราะสิ่งที่เขาเห็นก็คือร่างกายพวกกระทำบุญกระทำบาปเมื่อร่างกายตายไปแล้วเขาก็คิดว่าจบจะใช้ผลบุญผลบาปก็ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เ mm. ช่นถ้าทำผิดกฎหมาย mm. เขาก็จะถูกจับไปลงโทษได้ในบางครัง้งบางคราวแต่ถ้าเขาเก่งเขาฉลาดเขาก็สามารถหลบหนีได้ห mm. ลบหนีไปอยู่ต่างประเทศก็ได้เวลาที่ทผิดกฎหมายพอเวลา ตำรวจจะมาจับบางทีก็มีสายในตำรวจตำรวจก็มาเตือนก่อนว่าจะถูกจับแล้วนะให้รีบไปได้แล้วเขาก็ไปกันเขามีเงินเขาจะเอาเงินที่เขาโกงมาเนี้เอามาพาให้เขาหลบหลีกหลบหนีการไปรับโทษได้พวกนี้เขาจึงไม่กลัวบาปกันเขาคิดว่าทํำบาปแล้วเขาสามารถหนีโทษของการทําบาปได้เพราะเขารู้ว่า การมีเงินนี้สามารถที่จะซื้ออะไรได้มากมายซื้อตำรวจก็ได้ซื้ออายาการก็ได้ซื้อสารก็ได้ซื้อได้หมดซื้อทุกตารางก็ได้ขณะติดคุกยังไม่ต้องติดคุกไม่ต้องอยู่ในคุกก็มีมเพราะมีเงินได้อย่างจ่ายเงินให้หมอซะหน่อยหมอเขาบอกว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บต้องออกไปรักษาที่โรงพยาบาล เหมอเขียนคำสั่งก็ไม่มีใครกล้าไปปฏิเสธคำสั่งของหมอมมแต่หมอก็รับเงินไปเต็มๆมอยู่ในกระเป๋าพ<ม>าให้นักโทษที่ไม่ที่ไม่ต้องไปติดทุกอยู่ในทุก<ม>ไปนอนโรงพยาบาลชั้นพิเศษน<ม>นี่คือเรื่องของคนโง่คนไม่ฉลาดคนที่คิดว่าบุญกรรมไม่มีผลของบุญผลของกรรมไม่มีคิดว่ามีก็แค่อยู่ใน มีก็มีแค่ใจช่วงที่มีชีวิตอยู่ทำบาปถ้าไม่ฉลาดก็ จ, จะติดคุกได้ติดตารางได้แต่ถ้าฉลาด<ม>ถ้ากงนกองนี้กองได้เงินมาเยอะๆก็สามารถซื้อเอาเงินซื้ออิสรภาพได้แทนที่จะติดคุกก็อาจจะให้คนอื่นไปติดแทนก็ได้จ้างคนอื่นไปติดแทนก็มีมตัวเองก็อยู่นอกคุก อันนี้เงินซื้อได้หมดพวกนี้พวกที่พวกคนงอตพวกคนไม่ฉลาดพวกคนที่ไม่รู้ว่าผลของบุญของบาปมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้มันอยู่ในโลกทิพย์มันเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจนี่แหละที่เป็นผู้สั่งการให้ทําบุญหรือทําบาปเนี่ยใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปในโลกทิพย์อันนี้ คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากบัณฑิตคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าวัดเราก็แสดงว่าเรากาลังเข้าหาบัณฑิตเมื่อเราได้เข้าหาบัณฑิตเราก็จะไ ด, ได้เรียนรู้เรื่องที่ดีเรื่องที่มีคนมีประโยชน์ต่อจิตใจของพวกเราเรียนวิธีที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสูมากขึ้น รู้วิธีที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจเราตกต่ำรู้วิธีที่จะป้องกันไม่ให้เราต้องไปทุกข์ให้จิตใจเราต้องอยู่ในสภาพแบบทุกข์ร้อนนี่คือความเป็นมงคลของของชีวิ ต, ตเราต้องหาคนฉลาดคนที่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปรรู้เรื่องนรกรู้เรื่องสวรรค์รู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิด นอกจากรู้เรื่องบุญเรื่องบาปแล้วเราต้องรู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดด้วยเพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดแม้จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติมันก็ยังมีทุกข์อยู่เพราะว่าเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่แต่ละครั้งเราก็ต้องมีร่างกายและร่างกายของเรานี้มันก็จะต้องมีความทุกข์ให้เราต้องมาเจอกันการมีร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของสนุกนะมีร่างกายแล้วก็ต้องเลี้ยงดูร่างกาย ทุกวันนี้ที่เราดิ้นนนกันต่อสู้กันทำงานทำการด้วยความยากลาบากต่างๆนี้ทำเพื่ออะไรส่วนหนึ่งก็ทำเพื่อเลี้ยงชีพทำเพื่อเลี้ยงร่างกายนี้ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องมาทำมาหากินไม่ต้องมาหาเงินซื้ออาหารไม่ต้องมาหาเงินซื้อที่อยู่อาศัยไม่ต้องหาเงินมาซื้อเสื้อผ้าไม่ต้องหาเงินมาซื้อยารักษาโรค อันนี้ก็เป็นความทุกข์แล้วทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีการต้องเลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายป้องกันร่างกายจากภัยต่างๆแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีทุกข์จากความเสื่อมของร่างกายร่างกายอยู่ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะต้องแก่ลงพอมันแก่ลงมันก็จะมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ จะทำอะไรก็ยากลำบากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็หาไม่ได้เพราะไปไหนไม่ไหวเป็นคนแก่แล้วพอแก่มากๆก็จะมีอาการเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมามีโรคภัยไข้เจ็บปรากฏขึ้นตามร่างกายแล้วถ้ารักษาไม่ได้มันก็จะต้องตายไปอย่างนี้คือความทุกข์ที่จะเกิดจากการที่เราต้องกลับมาเกิด ถ้าดาบใดเรายังไม่ได้ไปตัดไปทําลายตัวที่พาให้เรามาเกิดกันไม่มีใครรู้ว่าอะไรพาให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆนอกจากพระพุทธเจ้ากับพระหลานตสาวกเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบสาเหตุของการที่พาเรามาเกิดก็คือตัณหาความอยากนี่ความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกาย เป็อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดกระพาะชนิดต่างๆอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากกินอยากดื่มอยากกินอาหารจานโปรดอยากดื่มเครื่องดื่มที่ที่ชอบที่โปรดอยากดูละครดูอะไรอยากจะฟังเพลงอะไรต่างๆอยากจะมีแฟนอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนความอยากเหล่านี้เนี่ยมันท้าย้เราต้องมามีร่างกายกัน พราะการที่เราจะหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายนะสิ่งที่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือร่างกายนี่ใจของเราไม่มีร่างกายก็เลยต้องมามาครอบครองร่างกายที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้ให้กับเราเธอที่เราจะได้เอาร่างกายนี้มาใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆตามความอยากของใจ ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องตัดความอยากเหล่านี้ออกไปจากใจอยากไปอยากดูอยากฟังอยากอยากไปกินอยากไปดื่มอยากไปเที่ยวไปทําอะไรผ่านทางร่า ง, งกายเอาร่างกายมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิแทนทําใจให้สงบจากการนั่งสมาธิไม่ต้องใช้ร่างกายไปเที่ยวไปกินไปดื่มให้ร่างกายพักอยู่เฉยๆแล้วพอนั่งกายอยู่เฉยๆ ใจก็นิ่งสงบ พ, พอใจนิ่งสงบความอยากที่เคยมีในใจมันก็จะหายไปใจก็จะอยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีความอยากเมื่อไม่มีความอยากมันก็ไม่ต้องมีร่างกายต่อไปต่อไปเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดหีกถ้าเราตัดความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ตอนนี้เรายังมีความอยากอยู่เรายังอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ พาเราไปเที่ยวพาเราไปกินพ า, าพาเราไปดื่มพาเราไปดูไปฟังอะไรต่างๆอยู่เราจึงต้องกลับมาเกิดพอร่างกายอันนี้ตายไปความอยากที่จะใช้ร่างกายมันไม่ได้ตายไปมันก็จะพาเราไปเกิดใหม่เหมือนกับการที่เราอยากเดินทางไปไหนมาไหนเราก็ต้องมีรถยนต์กันเราก็ไปซื้อรถยนต์กันพอรถยนต์คันเก่าพังไปใช้ไปสักพักมันก็ต้องพัง ทางไปแต่ความอยากไปไหนมาไหนยังไม่ยังไม่หายไปจากใจความอยากไปไหนมาไหนมันก็เลยทำให้เราต้องไปหารถยนต์คันใหม่ไปซื้อลดมาใหม่อันนี้ก็เหมือนกันความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกลายมันก็จะคอยบีบให้เราต้องไปมีร่างกายอยู่เรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีความอยากอยู่ในใจมันก็จะถูกความอยากนี้ พาให้ไปหาร่างกายอันไหนต่อไปหาได้เท่าไหร่ก็ไ ม, ไม่ไม่มีความอิ่มความพอความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอได้เท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นิธีที่เราจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดทำให้เราไม่ต้องกลับมาทุกข์ แต่ว่าจะกลับมาเกิดดีเกิดในภพที่ดีเพราะเราได้ทําบุญทําทานมามันก็ยังเป็นก็ยังต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยก็ต้องมีความทุกข์กับร่างกายทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกายเสมอไปวิธีเดียวที่นั้นเท่านั้นที่จะทําให้เราไม่ทุกข์กับกับร่างกายก็คือเราอย่ามาอย่ามีร่างกายกัน อยากกลับมาเกิดกันและการที่เราจะไม่กลับมาเกิดได้เราต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากเราก็ต้องใช้การปฏิบัติที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นศีล ส, สมาธิปัญญานี้จะเป็นเครื่องหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้เช่นเรามาถือศีลแปกันพอถือศีลแปเราก็จะห้ามไม่ให้เราทำอะไรตามความอยากอยากจะดูหนังก็ดูไม่ได้ อยากจะฟังเพลงก็ฟังไม่ได้อยากจะแต่งเนือ้อแต่งตัวก็ทาไม่ได้อยากไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆก็ไปไม่ได้เราใช้ศีลมาคอยสกัดกั้นความอยากก่อนแล้วขั้นต่อไปเราก็เอามานั่งสมาธินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้ใจให้หยุดคิดถ้าเราทำใจให้หยุดคิดใจนิ่งได้ความอยากมันก็จะหยุดชั่วคราว เพราะความอยากมันต้องอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือแต่พอเราไม่คิดความอยากต่างๆก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้เช่นเราไม่คิดถึงขนมความอยากกินขนมก็ไม่เกิดถ้าเราไม่คิดถึงเครื่องดื่มที่เราชอบดื่มความอยากจะดื่มเครื่องดื่มนั้นมันก็จะไม่เกิดแต่พอเวลาเราออกจากสมาธิมาปั๊บพอคิดถึงเครื่องดื่มที่เราชอบปั๊บมันก็อยากจะดื่มขึ้นมาทันทีคิดถึงขนมที่เราชอบมันก็อยากจะกินขึ้นมาทันที ถ้าเราอยากจะตัดความอยากในขณะที่เราออกจากสมาธิมาไม่ให้ทำตามความอยากเราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราชอบนั้นมันเป็นทุกข์เครื่องดื่มที่เราเช่านี่มันเป็นทุกข์มันเป็นเหมือนยาเสพติดดื่มแล้วมันติดชเช่นดื่มกา แ, แฟนี่มันติดเพราะวันไหนไม่มีกาแฟดืม่มมันก็จะทำให้เราหงุดหงิดทำให้เราทุกข์ึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากดื่มมันตัดความอยากไป พอเราหยุดความอยากได้เพราะเรามีกำลังของสมาธิช่วยสนับสนุนเราจะไม่รู้สึกทรมานเวลาที่เราหยุดความอยากที่จะดื่มเครื่องดื่มที่เราชอบที่จะกินอาหารที่เราชอบหรือที่จะดูจะฟังรูปหรือเสียงที่เราชอบถ้าเรามีสมาธิแล้วออกมาจากสมาธิพอเราใช้ปัญญาเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้แล้วต่อไปความอยากที่เคยมีในใจมันก็จะหายไปหมด พอความอยากหายไปหมดเวลาน่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็จะไม่กลับมามีน่่งกายใหม่ต่อไปไม่กลับมาเกิดเลยเวลาใจก็จะไปอยู่ที่นิพพานต่อไปนิพพานก็เป็นที่ที่ไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายตามมานี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากบัณฑิตการเข้าหาบัณฑิตเข้าหาคนผู้รู้ธรรม ผู้ที่รู้ธรรมก็คือพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์นี่แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่วัดนี่เราจึงเข้าวัดกันในวันพระเพื่อเราเข้าหาบัณฑิตเพื่อจะจะได้เรียนรู้จากบัณฑิตวิธีที่จะสร้างความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตของเราคือสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจของเราให้จิตใจของเราได้พัฒนาถึงขั้นสูงสุดก็คือขั้นของพระอรหันต ทานของพานิพานนั่นเองเราจะสามารถพัฒนาได้ถ้าเรารู้เราพบบัณฑิตผู้รู้วิธีการพัฒนาถ้าเราไปคบคนที่ไม่เป็นบัณฑิตคนที่ไม่ฉลาดคนที่ไม่รู้วิธีพัฒนาจิตใจเขาก็จะไม่สามารถสอนให้เราพัฒนาจิตใจของเราได้เราก็จะติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆนี่หลักคือความเป็นมงคลของชีวิตคือความสุขความเจริญของจิตใจของพวกเรา ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าหาบัณฑิตเสถวนาจะบาลานังบันตานันจะเสวนาเอตมังกลมุตตมังการไม่คบคนโง่าการครบบัณฑิตคนฉลาดเป็นมงคลอย่างยิ่งมีก็คือเรื่องของความเป็นมงคลของชีวิตที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเววาหาตุราภะเรตุเลนติสาคะลงเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอ ah ุปกักปติอิชิตังขะทิตังตุมหังคิปเมวาสมิชาตุ สัพเทปุรลงตูสังกปาจันทูปนะระโสยทามณีโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตะวันตราลายสุขีทีคายุโกภะ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 เป็นช่วงเดียวที่สะดวกเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกต่อเพราะว่าต้องมีอะไรอย่างอื่นต้องทำต่อมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปมีคนมาลามาอะไรกายจะคุยธรรมะในตอนนั้นไม่สะดวกตอนนี้สะดวกที่สุดอยากจะถามอะไรก็ถามจะถามเองก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook 484ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ342ท่านทาง y o u t u b ดร r V 64ท่านพิทยุออนไลน์12ท่านครับ House 6ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ98ท่านรวมทั้งหมด 1,006 ท่านครับ พูดผ่านในโฟงได้อยากจะถามคำถามเนียส่วนตัวอ๋อไม่มีส่วนตัวก็ถามได้ส่วนตัวเลยเหมือนกันธรรมะมันเป็นเหมือนกันพอเรามีปัญหาแบบเดียวกันทั้งถ้าไม่อยากจะถามก็ต้องขอไปด้วยเพราะไม่สะดวกที่จะตอบส่วนตัวนะเพราะว่าเวลามันไม่พอ มีคําถามจากผู้รับฟังธรรมะ น, นาคุติฝักถามเข้ามาว่านมัสการหลวงพ่อครับเราสามารถทบศาลพระภูมิที่พ่อแม่ตั้งไว้หลายสิปีก่อนเองโดยไม่ต้องเชิญหมอตั้งศาลได้หรือไม่ครับเพราะเคารพและศรัทธาพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเท่านั้นจะเกิดเหตุไม่ดีกับเราไหมครับ เ, เหมือนกันอะจะ้า เชิญใครมาสร้างให้หรือไม่มีใครมามันก็เหมือนกันมันไม่มีผลแตกต่างกันเพราะมันเป็นการเล่นละครมันไม่ใช่เป็นของจริงเป็นความเชื่อขึ้นมามนเชื่อว่าชินมีเจ้าที่เจ้าทางต้องสร้างบ้านเขาอยู่ทำไมสร้างบ้านเล็กนิดเดียวที่บ้านของเราใหญ่โตมาหัว้าน คนเจ้าที่เจ้าทางสร้างเป็นกระทำให้เขาอยู่ไม่จะมารักษาเราทําไมเขาอยากจะให้เขามารักษาเราต้องส้างศาสาใหญ่ๆให้เขาอยู่เลย <Yeah. S 1> มันไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องของความเชื่อเน <Yeah. S 1> ้นจะทําพิธีก็ได้ไม่ทําพิธีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่ได้มีความแตกตา่างดีชั่วยอยู่ที่การกระทําของเรา <Yeah. S 1> ถ้าเรากินเหล้าเมายาเดี๋ยวเกิดบ้าขัางขึ้นมาเผาบ้านของเราเองก็ได้ yeah. มันอยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่ใครหรอกเหมือนถ้าเราทำดีคิดดีพูดดีทดําดีแล้วมันก็จะปลอดภัยถ้าคิดดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเดี๋ยวบ้านก็บ้านก็ทิพายแสดงว่าทางทางโลกทิพนี้ใช้บุญอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพอ่อใช้บุญกับบาทเจ้าค่ะแล้วอย่างเราที่เราไปใส่บาทเราก็อุทิศให้เขาได้ไดใช่ไหมเจ้าค่ะ ไ, ไม่จําเป็นต้องตั้งศาลต้องตั้งของตั้งศาเลเจ้าค่ะ คำถามต่อไปจากทาง YouTube เจ้าค่ะมีสองข้อข้อที่หนึ่งนั่งสมาธิพอจะเริ่มสงบสงบกลายเป็นเหมือนจะเคิมหลับไปเลยค่ะน่นละสติหมดพอดีแทนที่จะเข้าสมาธิก็เลยเข้าผวังหลับไปเจ้าค่ะคำถามที่สองเป็นคนทำบุญกับคนไม่ขึ้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและเป็นคนโดดเดี่ยว โดนคนเกลียดรุนแรงแบบไม่มีเหตุผลบ่อยครั้งหนูยอมรับแต่ยังทุกเจ้าค่ะเราไม่ได้ทำบุญให้ขึ้นไมให้คนขึ้นกับเราเราทำบุญเพื่อให้เราได้บุญได้ความสุขใจส่วนคนที่เขาจะขึ้นกับเราไม่ขึ้นกับเรานี่ไม่ได้เป็นปัญหาเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้บางคนเขาก็ไม่ขึ้นกับเราบางคนเขาก็ขึ้นกับเราแต่เราทาบุญนี้ไม่ได้หวังอะไรจากเขา เราหวังจากการได้ความสุขจากการทำบุญเทานะั้นคือเหตุที่เราทาบุญกันนั้นไม่ต้องไปกัวงวลกับคนอื่นคนที่เราทำบุญด้วยว่าเขาจะดีกับเราหรือไม่เราไปบังคับเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราได้จากการทำบุญก็คือเราได้ความสุขใจได้สวรรค์เป็นที่พึ่งเป็นที่รอเราอยู่ในอนาคตต่อไป ใช่ค่ะจากคุณศรัทธาแห่งพุทธะอดีตชาติเมื่อวานใช่ไหมครับชาติหน้าแค่วันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับกลาบขอบพระคุณครับพระอาจารย์ไม่เราชาติหน้าชาตินี้มันก็ยังตัวร่างกายนี้อยู่พรุ่งนี้ก็ยังร่างกายนี้อยู่มันก็ยังชาตินี้อยู่ถ้าไม่มีร่างกายนี้แล้วล่ะก็ถึงนับชาติใหม่ต่อไปเวลากลับมาเกิดได้ร่างกายใหม่เขาเรียกว่าหน้าะเกิดชาติใหถ้ายังมีร่างกายกนี้เก่าอนี้เราไม่เรียกว่าชาติใหม่ เดี๋ยวพวกนี้เกิดมาก็ยังได้ร่างกายอันเก่าอยู่มันก็ยังชาติเก่าแต่ถ้าตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ได้ร่างกายใหม่อันนั้นนะ่ะถึงเลาเรียก็าชาติอยู่เจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวคนกําลังพิมพ์กัอยู่เรากลัววถ้าพิมพ์มาก่อ น, อนแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้อ่านคำทางเขา เอาก็รอรให้เริ่มมีคำการถามต่อฟังว่าถึงค่อยพิมพ์ข้อความเข้ามาจะได้อ่านได้ทันทีทันใดมีคำถามจากอินบ็อก์เจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราถือสินแปดในวันทำงานแต่ต้องรับประธานอาหารช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงจะถือว่าผิดสินหรือไม่คะไม่เราปรับเวลาได้ตามความจำเป็น แทนที่จะกินอตอนก่อนเที่ยงเรากินไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้หยุดทํา ง, งานแล้วพวมากินตอนเที่ยงก็ลาไปชั่วโมงนึ่งเท่าหลังประเทศก็ยังมีการเปลี่ยนเวลาได้เลยใช่ไหมที่อเมริกาเดี๋ยวพออากาศหนาวขึ้นมาเขาก็ถอยเวลาลงไปชั่วโมงหนึ่งพออากาศ ร, ร้อนเขาก็เลื่อนเวลาขึ้นมาชั่วโมงนึงมันก็มันก็เป็นเรื่องของการปรับเวลาเท่านี้ เป้าหมายของการไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันก็คือเราจะได้ไม่ง่วงนอนอไม่กินมากเกินไปเวลานั่งสมาธิมันจะได้ไม่ง่วงนอนทั้งเองงั้นถ้าเราต้องทํางานแล้วไม่สามารถมากินก่อนเที่ยงได้เราก็ต้องรอให้หยุดทํางานก่อนก็อตอนเที่ยงวันก็ก็ช้าไปชั่วโม ง, งนั้นเองก็ไม่ได้เสียหายตรงไอะไรอย่างนี้ใค่ะแล้วอย่างคนที่ที่ทํางานแล้ว แต่งหน้าก่อนทุกอย่างแล้วก็ค่อยรับสินแปดแบบนี้ค่ะแบบก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวก่อนรับเรื่องรับหน้ารับทางแบบนี้อันนี้มันสีธนนทชัยนะอะไรวะฆ่าเขาก่อนแล้แค่มาขอถือสินเลยขโมยเงก่อนแล้วแคมาถือสินี่ไม่ได้หรอกมันไม่ได้อยู่ที่ถือไม่ถือมันอยู่ที่ว่าทำหรือไม่ทำบาปกรรมมันอยู่ที่การกระทําไม่ได้อยู่ที่การสมาทานหรือไม่สมาทาน คนบางคนชอบสมาทานศีลตอนน้อยก่อนนอนเนี่ยสมาทานไปทำไมเพราะวั น, อนนอนไม่ได้ทําบาปทํากรรมไม่ได้ทำอะไรทไั้งนั้นเนี่ยจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องสมาทานใช่ไมหมจ๊ะค่ะที่การรักษาค่ะสมาทานเป็นเพียงแต่เจตนาตั้งใจความตั้งใจว่าวันนี้จะถือศีล น, นะนนถ้าบางทีเราไม่ตั้งใจเราก็อาจจะทําก็ได้ไม่ทาก็ได้อแต่ถ้าเราตั้งใจแล้วเราก็ต้องทํา ค่ะมีคําถามจากคุณอุไรวันมีเพื่อนที่มาขอยืมเงินหลายครั้งจะช่วยเหลือมาตลอดแต่เพื่อนไม่เคยคืนเลยสักครั้งถ้าครั้งนี้เราไม่ให้แล้วเราอ้างเหตุผลต่างๆน า, นานาว่าเราไม่มีเงินแล้วเราจะผิดสินเรื่องมุสาไหมคะหลวงพ่อเราก็ไม่ต้องไปตอบเขาอย่างนั้นสิเราก็ตอบเขาบอกไม่มีให้ยืมแล้วค มันมีอยู่แต่ต้องเอาไ่ใช้อย่างอื่นเงิน mm hmm. มันมีอยู่ต้องเก็บไว้บ้างงานอะไรบ้างแต่เงินยู่นี่หมดแล้วตรงๆไปเค่ะจากคุณอังคาาการอารัธนาสินห้าจำเป็นต้องสวดบทอารัธนาหรือไม่คะหากเราคิดในใจว่าต่อไปนี้เราจะรักษาสินได้หรือไม่คะได้ถ้าเราทําตามนาทางของเรา ถ้าเราไปทำในที่เ็ามีพิธีกรร ม, มก็ต้องทำไปตามขั้นตอนของพิธีกรรมต้องตั้งนโมก่อนต้องถือข้พุทธทาธรรมพสงโ์เป็นสาธารณะก่อนแล้วค่อยถึงอลาธาานาอันนี้เป็นพิธีกรรมแต่ตัวตัวตัวหลักจริงๆก็คือการรักษาห้ความตั้งใจ การตั้งใจก็คือการตั้งศีลธรรมนี่แต่วันนี้วันท้ารักษาสี่แปดนะรักษาสี่ห้านะานนะอันนี้เราก็ถือว่าเราได้สมาทานนะ<ม>แล้วแล้จะสําเร็จหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่การสมาทานอยู่ที่การรักษาว่าเรารักษาได้หรือไม่ ค่ะจากคุณชิดชัยกราบเรียนถามพระอาจารย์ผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งการเกิดปัญญาคือทำอะไรแล้วทำเร็วทำไวออกมาทำงานไม่ใช่ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเลยยังไม่เข้าใจความหมายของเกิดปัญญาครับปัญญาปัญญาคือความรู้ไงเ่นเห็นความไม่เที่ยว เห็นว่าร่างกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เป็นปัญญาเพ่แต่ว่าปัญญามันมีหลายหลายหลายขั้นปัญญาขั้นรู้เฉยแต่ยังทำไม่ได้เห่นเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เรายังทำใจไม่ได้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะใจเรายังทุกข์อยู่ถ้าเราอยากจะได้ปัญญาในระดับที่ไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายเราก็ต้องไปฝึกสมาธิก่อน ถ้าเรามีสมาธิแล้วปัญญาของเราก็จะเป็นขั้นที่สาม <Okay. S 2> เลียกภ า, าวนามย์ปัญญา <Okay. S 2> ปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน <Okay. S 2> ปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน <Okay. S 2> ย่อมทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียว <Okay. S 2> แต่ปัญญาอย่างอื่นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังการนึกคิดอย่างนี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะไปหยุดความทุกข์ใจได้ จะอยู่ความทุกข์ใจได้ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนปัญญาจริเหมือนที่เขาว่าต้องเกิดปัจจัดตังใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่เราอยู่ที่ว่าเราหยุดเราหยุดความอยากเราได้หรือเปล่าตัวความอยากทําให้เราทุกข์เรายังอยากอยู่ยังอยากไม่ตายอย่างนี้ยแต่ถ้าเราหยุดตัวนี้ได้ความทุกข์ก็จะหายไปพอเรารู้ว่ายังไงก็ต้องตายอยู่ดี อยากไม่ตายมันก็ไม่ทำให้มันไม่ตายมันก็ตายอยู่ดีแต่มันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากไม่ตายยอมตายไปเขยอมตายไปใจก็โล่งใจก็หายทุกข์กันทั้ แสดงว่าถ้าเกิดเรารับได้ว่าคนเราเกิดมาต้องตายหรือตัวเราต้องตายแล้วแล้วมันปรงได้ไปตลอดนี้แสดงว่าเราใช้ปัญญาใช่ไหมเจ้าค่ะก็ต้องเจอของจริงเลยไปลา ไ, ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแนละ้วมันดูซิว่าเราจะทําใจได้หรือเปล่าถ้าทําใจได้ดก็เป็นปัญญาถ้าทําใจไม่ได้ก็ยังไม่เป็นปัญญาเรียกเป็นสัญญาเป็นความจำเจ้าค่ะ ต่อไปจากคุณอุ้ยเจ้าค่ะการนั่งสมาธิจําเป็นต้องนั่งนานๆไหมคะโดยนานไม่นานไม่สําคัญนั่งให้มันสงบให้มันมีอุบเบกขานื่งเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงต้องการตัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เรืองอาศัยนั่งนานๆถึงจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาเจ้าค่ะจากคุณร ม, มี ในมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจะให้กําลังใจคนเป็นมะเร็งได้อย่างไรเจ้าค่ะก็บอกว่าคนที่เป็นร่างกายเป็นมะเร็งใจไม่ได้เป็นมะเร็งเราไม่ได้เป็นมะเร็งไปกับร่างกายเราเป็นใจเราเป็นคนใช้ร่างกายร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้เราก็เลี้ยงดูมันไปรักษามันไปตามตามกําลังรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะตายก็ต้องปล่อยให้มันตายไป ใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะมีพลังกล้าหาญในวาดตัวเจ้าค่ะจากคุณชีพเวลาสวดมนต์ทำสมาธิไปด้วยได้ไหมคะการสวดมนต์ก็เป็นการทำสมาธิอยู่แล้วถ้าจะทำสมาธิเช่นจะดูลมก็ไม่ต้องสวดมนต์ถ้าทำสมาธิยังไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนเป็นการทำสมาธิไปก่อนถ้าเราสามารถดูลมได้แล้วเราก็ไม่ต้องสวดมนต์ทำสมาธิไปเลย ถ้ายังยังดูร่มไม่ได้ก็ต้องอาศัยการสวดมนต์เลยก่อนเชค่ะจากคุณอุ้ยค่ะการสวดมนต์ตอนเย็นต้องสวดบทไหนถึงจะดีจําเป็นต้องสวดเยอะๆไหมคะแล้วแต่เราถ้าเราสวดของเราคนเดียวเราจะเลือกสวดบทไหนก็ได้แต่ถ้าเราไปสวดกับวัดที่เขามีเขามีสูตรของของบทสวดมนต์ทำวัชาต้องสูตต้องสวดบทนี้นะทงวัดค่าต้องสวดบทนี้เราก็ต้องทําตามเขา แต่ถ้าเราทําของเราเองคนเดียวเราก็เลือกส่วนบนไหนก็ได้เริ่มสวดแค่คําว่าพุโทโธคําเดียวก็ได้<ม>การสวดหรือการท่องพุโทโธก็เป็นการทําใจให้มีสติให้หยุดความคิดนั้นเองใจจะได้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้เจขาคจากคุณวันเพ็ญเจ้าถ้าเราถูกใส่ร้ายป้ายสีจนไม่มีคนครบ เป็นทุกใจมากขอหลวงปู่แนะนำวิธีปรับใจด้วยเจ้าค่ะมันเป็นไม่ได้หรอกที่ไม่มีคนทบเราในโลกนี้ก็มีคนรักคนชังเราเราต้องยอมรนะับว่าในโลกนี้ไม่มีใครจะรักเราทั้งหมดไม่มีใครจะเกียดเราทั้งหมดหรอกใครรักเราก็ปล่อยเขารักเราไปใครเกลียดเราก็ปล่อยเขาเกลียดไปถ้าไม่มีใครรักเราเลยก็อยู่คนเดียวไปก็ได้ไม่จะเดือดร้อนตรงไหน เจ้าค่ะจากคนหนึ่งหรือไทยมีเข้ามาสองคำถามคำถามที่หนึ่งบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนามีกําลังมากที่สุดใช่ไหมเจ้าคะมีกําลังสู้กับกิเลสสู้กับตัญหาความอยา ก, กตา่างๆสู้กับความโลภความโกรธได้เวลาเกิดความโกรธ ก, ก็หยุดมันได้เวลาเกิดความโลภ ก, ก็หยุดมันได้ ใช่ค่ะคำถามที่สองเราสามารถอุทิศบุญหรือขอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรได้หรือไม่เจ้าคะได้แต่ต้องไปพูดต่อหน้าเขาเนะใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราก็ไม่ขอโหสิเขาขออาภายัยกราบตียงเข้าไปเลยขอกราบตียงแต่เขาจะให้อาภัยหรือไม่ก็ยอยู่ที่ตัวเขาเองทีบางทีก็ไม่ยอมเขาต้องขอข่าเราก่อนถึงจะให้อาภัยได้แล้วก็ให้เขาข่ามันก็จะได้หมดเวรหมดกรรม แต่ถ้าเขาเป็นคนมีศีลมีธรรมเขาอาจจะเมตตาจะมาขอขามาแล้วก็ยกโทษให้งินไปจบไปก็มีเจ้าค่ะอย่างอย่างงานศพอะค่ะเวลามีคนตา ย, ตาย ค, คนก็จะแบบว่าไปงานศพเพื่อไปอาห่อเอาหอัวศีลกรรมเ<บ>วลาเขาตายเวลาเขาไม่รู้เรื่องแล้วถ้าอยากเอาหอสวศีต้องไปก่อนเขาตายเจ้าค่ ะ, ะจากคุณเฮียเริงถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้เราสามารถทําสมาธิด้วยวิธีไหนได้อีกครับ นั่งเจ้าี้ก็ได้นั่งบนขอบเตียงก็ได้นั่งบนโถส้วมก็ได้นั่งได้ถ้านั่งมันไม่สําคัญการนั่งสมาธิสําคัญที่สติให้มีสติกํากับใจไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านแต่ถ้านั่งท่าดีแต่ไม่มีสตินั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลแต่นั่งนี่นั่งได้ทุกแห่งทุกทีนั่งบนก้อนหินก็ได้นั่งนั่งบนพื้นก็ได้นั่งที่ไหนก็ได้ ถ้ามีสติแล้วใจก็จะสงบได้เหมือนกันจะค่ะจากคุณนรินโชดการที่เราทำบุญไหว้บรรพบุรุษในทุกๆปีเราจะรู้ได้อย่างไงครับว่าเขาไปเกิดใหม่แล้วแล้วเราควรจะต้องทำอย่างนี้ตลอดไปไหมครับ ถ้าจะรู้ก็ต้องเราก็ต้องมารู้ธรรมเหมือนพระพุทธเจ้ามีตาทิพย์พระพุทธเจ้านี้สามารถรู้ว่าแม่ของท่านตายไปแล้วก็อยู่ที่ไหนได้แต่ถ้าเราไม่มีตาทิพย์เราก็จะไม่รู้เราจะทําทุกปีหรือไม่ก็อยู่ที่เราเราอยากจะทําก็ทําไม่อยากจะทําก็ไม่ต้องทําเพราะมันไม่ได้บุญแต่อย่างใดการที่ไปไหว้ไปเอาของไปเส้นที่หลุมสมนี่มันไม่เกิดเป็นบุญอยู ถ้าอยากจะเกิดเป็นบุญตาของที่เราไปเส่นนี้ไปใส่บาตรไปแจกคนยากคนจนแล้วเราจะได้อาบุญที่เกิดจากการทำทานนี้อุทิศไปให้กับคนตายได้เจ้าค่ะคุณสิงหราถามเข้ามาว่าถ้ามีโรคประจำตัวสามารถบวชได้ไหมครับเป็นโรคความดันครับบ่อ น, นัดทุกทุกสี่เดือนสามารถเกิดได้ไหม เจ้าคะ่ะทเห ม, มันประมาณว่าเขาว่ามีลูกประจําตัวสามารถบวชได้ไหมเจ้าคะ่ะบวชได้หรือเปล่าค่ะตอนนี้แล้วแต่อุญปัญญายขาต้องพิจารณาว่าช่วยตัวเองได้เปล่าเป็นภารากับครอื่นหรือเปล่าถ้ามาบวชแล้วเป็นพาราของคงนอื่นเขาก็ไม่ให้บวชเพราะคนจะยังมาบวชได้ต้องพึ่งตัวเองได้ต้องทําอะไรให้กับตัวเองได้ถ้ามาบวชแล้วเป็นคนนอนให้คนก็ห า, หาข้าวมาให้กินนี่เขาก็ไม่ให้บวชนะเหตุนี้ไหวก็จะมีแต่คนเจ็บมาบวชกันเต็มไปไหมดเลย เธ้าค่ะจากคุณคุณนาผู้ปฏิบัติธรรมแบบชาวบ้านถ้ายังรักษาศีลทำสมาธิภาวนาแต่ยังตัดความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่พยายามลดละเลิกแต่ยังไม่หมดจะมีโทษถึงขั้นลงอบายใหม่ครับอ๋อไม่มีทโทษนะเพืนแต่มันจะไม่เจญมันไม่ขึ้นไปสู่สวรรค์ทั้นผมนั่นง ยังติดอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพชั้นกลามมาพบอยู่ถ้าเลิกเศษกรรมได้มันก็จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรมได้แต่มันไม่ไปอาบายหรอกเพราะไม่ได้ทำบาปเซค่ะจากคุณอาอินบิวกราบเรียนถามครับถ้าการทำสติทำอนาปณะสติ ไปได้ถึงขั้นฌานสี่แต่การทำสติพิจารณากายานุปัสสนากรรมฐานจะได้แค่อุปจาระสมาธิใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกคอละเรื่องกันการทำสติให้ใจนิ่งสงบจะได้ฌานถึงถึงขั้นอรูปฌานเลยแต่การพิจารณาธรรมจะได้ดวงตาเห็นธรรมได้ปัญญาคนละเรื่องกัน อุบจาจารสมาธิได้จากการมีเจริญสติอาณาปณะสติเ่าตนต้นแต่ถ้าพิจารณาธรรมพิจารณาเห็นอนิจจังนี้มันก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิมันก็จะได้บรรลุปเป็นพระอริยบุคคลเจ้าค่ะจากคุณศรัทธาแห่งพุทธะการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิแล้ว ไปตลอดชีวิตเวลาตายไปแล้วจะไปพรหมโลกไหนกลับ ค, ครับพ่อคุณครับก็อยู่นั่งแล้วได้ผลหรือเปล่าถ้านั่งแล้วใจฟุ้งซ่านก็ยังไปไม่ได้นั่งแล้วต้องเข้าสมาธิได้เข้าสู่ฌ า, านขั้นต่างๆได้ถึงจะไปพรหมโลกได้ถ้านั่งแล้วใจยังฟุ้งซ่ า, า, า, านยังคิดปรุงแต่งก่อนนั่งหลังจากนั่งก็เหมือนกันอย่างนี้กแสดงว่านั่งไม่ได้ผลใช่ค่ะจากคุณเจ้าลอยไทย เช้าตู่วันพระโยมรับอุโบสดศีลที่บ้านด้วยตนเองที่ห้องพระไปแล้วไปวัดมีพิธีรับศีลห้ายมต้องทำอย่างไรเจ้าขาก็รับไปเด็หมันมันเป็นแค่รมเนียมเป็นแค่ประเพณนี้เป็นพิธีกรรมเนึ่ยตัวสำคัญก็คือเราเลือกเราเราจะราาักษาศีลห้าหรือศีลแปดไป แต่เวลาเราไปทําพิธีกรรมกับเขาเราก็ต้องทําทําไปนั่นเอ ง, เ, องเป็นกิริยาไม่จําเป็นว่าเราจะต้องทำํำทำตามที่เราถ้าเราถือศีลที่สูงกว่าก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไถ้าเราถือศีลแปดแล้วเขามีการสมาทานศีน 5, ลห้าเราก็สมาทานนี่เข า, ขาเขาให้ก็สบายใจว่าเราไม่ได้เป็นคนแปลกแยกแต่เราจะรักษาศีลแปดเราก็รักษาเราต่อไปได้ไม่ไม่ไม่ขาดกันเลยใช่ไหค่ะ ขอการเจ้าค่ะถ้าเราไปปฏิบัติธรรมแล้วมีคนช่วยค่าใช้จ่ายบางส่วนถ้าเรารู้ตัวดีว่าการปฏิบัติของเราไม่เหมาะที่จะรับเงินแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้จึงแบ่งเงินบางส่วนไปทําบุญเขาจะได้รับบุญด้วยหรือไม่เจ้าค่ะ อ, อ๋อบุญนี้เขาทำกับเราเขได้แล้วอนะแล้วถ้าเราแบ่งเงินนี้ไปทําบุญแล้วก็ได้บุญอีกต่อห น, นี้คนละบุญกานคนละส่วนกัน เงนที่เขาช่วยเหลือเราให้เราสนับสมุนการปฏิบัติของเรานี้เขาก็ได้บุญแหละแล้วเราแบ่งเงินส่วนนี้ไปทําบุญต่อเราก็ได้บุญส่วนนี้ด้วยเจ้าค่จากคุณกรรมคือการการะทำํำขอการกราบเรียนพ่อแม่ครัวอาจารย์ครับเราจะระงับความเจ็บปวดทางร่างกายได้อย่างไรครับตายตอนนั้นนะ่ะถ้าตายเราก็จะไม่มีความเจ็บจปวดต่อไป ถ้าตามใจยังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องมีความเจ็บปวดเป็นธรรมดาแต่เราอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์ได้ถ้าเราทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ทำใจให้เฉยๆใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายเจ้าค่ะจากอินบล็อกเจ้าค่ะไม่เคยใส่บาทในตอนเช้าแต่ใช้วิธีโอนเงินทาบุญที่โรงพยาบาลศ น, นแทนได้บุญเหมือนกันหรือไม่คะได้ได้เหมือนกัน เค่ะคุณแอนค่ะถามเข้ามาว่าสวดมนต์แล้วจะหลับตลอดเจ้าค่ะเราไม่สวดมนต์ได้ไหมคะแค่พุโทโธพุทโธพอ ไ, ได้ไหมคะเจ้าค่ะจากคุณเฉลิมชยัยสมถะและสมาธิต่างกันอย่างไรครับเหมือนกันเหมือนกันความหมายเดียวกันสมถะคือการทําใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิเป็นคําเดียวกันแทนกันใช้แทงกัน ใช่ค่ะจากอินบ็อกซ์ใช่ค่ะนั่งสมาธิแล้วชอบเลอะชอบเลอะมีลมเยอะจะแก้ยังไงคะพระอาจารย์อันนี้ต้องไปถามหมอ่ว่าเราเลอะเพราอะไรบางแล้วมันเป็นเรื่องของร่างกายถ้ากินโซดามากเข้าไปกินแก๊สเข้ามากเข้าไปมันก็เลอะได้ก็อย่าไปกินของที่มันทําให้เราเลอะจากคุณจิ๊บใช่ชค่ะ มีหลานเข้าใจเราผิดแล้วมาว่าเราแต่เราบอกแม่วโทษเราเขาจะบาปไหมค ะ, ะถ้าเขาด่าก็บาปนะการไม่ด่าคนจะจะจริงก็ไม่จริงมันก็บาปรลยไม่ควรพูดร้ายต่อคู่เลยนะ เจ้าค่ะยังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคไม่มีก็เอาท่านนี้ก่อนนะเจ้าค่ะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขดความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ